Mm hmm. เรื่องนี้ก็มีเพื่อนมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งก็เจ็บป่วยนะก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ไปหาหลายครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแน่ยาที่ให้ไปก็แค่รักษาอาการเสร็จแล้ววันหนึ่งหมอก็มาบอกคนไข้ว่าป้าป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ ไม่เกินสามเดือนพอได้ยินเท่านี้แหละแกก็ชาไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นสิบสองวันแกก็เสียชีวิตหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนคนจำนวนมากก็สามารถจะอยู่เกินสามเดือนแต่ว่าคุณป้าคนนี้อยู่ได้แค่สิบสองวันอันนี้เป็นเพราะอะไรคงไม่ใช่ตายเพราะ ก่อนมะเร็งมันเล่นงานเอาอย่างจู่โจมฉับพลันแต่ก็น่าจะเป็นเพราะใจใจที่ไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้ว่าเป็นมะเร็งใจที่ไม่สามารถจะยอมรับความเป็นจริงได้ว่าจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกไม่กี่เดือนใจที่ไม่ยอมรับความจริงเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันกลับทำให้เราเป็นทุกข์ หรือว่าทำร้ายตัวเราอาจจะยิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บซะอีกอย่างที่ได้พูดไว้ว่าสิ่งที่ทำร้ายเรามากที่สุดเนี่ยไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่ว่าคือใจของเราที่วางไว้ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกับคนที่ตายเพราะ วัดโรคเพราะโรคซาหรือว่าวัด 2,009 จริงๆตัวไวรัสนี่มันไม่ได้ทำอันตรายถึงตายแต่ว่าให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มันตื่นตกใจแล้วก็มันมีอาการเวอร์กาดเกลียวคลุ้มคลัง่งก็ทำให้อวั ย, ยวะต่างๆถูกทำลายไปด้วยภูมิคุ้มกัน จะเรียกว่าเราทำร้ายตัวเราเองก็ได้ไม่ใช่เฉพาะกรณีโรคหวัดแต่ว่าก็รวมถึงคนที่ทำใจยอมรับความเป็นจริงไม่ได้ใจนั้นเนี่ยมันก็วกกลับมาทำร้ายทำร้ายเราได้รุนแรงยิ่งกว่าก้อนมะเร็งนะในร่างกายเสียอีกอะไรที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้ มันก็คือความยึดติดนั่นเองคนเราพอยึดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยยึดมั่นถือมั่นแล้วพอสิ่งนั้นมันแปลเปลี่ยนไปด้วยความยึดอยากจะให้มันอยู่อยากจะให้มันเที่ยงนะพอมันแปลเปลี่ยนไปก็เลยทำใจไม่ได้ไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้เพราะความยึดรวมถึงความอยากด้วย ยึดอยากนี่มันไปด้วยกันพอยึดแล้วก็อยากแต่ว่าสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราอยากนั้นเนี่ยมันไม่ยอมเป็นไปตามใจเราพอมันแปรเปลี่ยนไปพอพัดพราวจากมันไปนะก็ทำใจอยอมรับความจริงไม่ได้มั้ก็ยังหวนคิดหวนอะไรอยู่ความยึดอยากคนเราเนี่ยเวลาทุกข์เนี่ยนะ มันก็พรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราที่ทําให้คนเราทุกข์เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็อย่างที่เราสวดทุกเช้าทุกเช้าการพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักพัดพาดจากเป็นสิ่งที่เรารักเรายึดเอาไว้จะเป็นแก้วแหวนเงินทองจะเป็นชื่อเสียงจะเป็นตําแหน่งหน้าที่หรือว่าคนที่เราลักก็ตามเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคู่ครองพอเรายึดเอาไว้ แต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าเราหนีความพัดพรากสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไม่พ้นแต่เมื่อไม่เข้าใจความจริงคือมีความหลงเป็นพื้นอยู่มันก็เลยไปยึดเอาไว้เป็นการยึดที่ทวนกระแสะความจริงเมื่อสิ่งที่ยึดสิ่งที่อยากนั้นมันพัดพรากสูญเสียไปถูกทำลายไปก็ยอมรับไม่ได้นี่ก็อันหนึ่งนะ นอกจากการพัดพาจากสิ่งเป็นที่รักแล้วประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เหมือนกันประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเช่อนอะไรเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นการตกงานหรือว่าหรือว่าถูกตำหนิถูกต่อว่าแลสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือความจริงที่คนเหล่านี้ไม่พ้นบางทีเราอาจจะ ต้องไปเจอกับอากาศที่ร้อนห้องที่อับชื้นยุงที่เยอะนะอนนี้เรียกว่าสิ่งที่ไม่พอใจทั้งนั้นแล้วพอเราประสบเข้าประสบเข้าทํำยังไงใจเราก็ผลักใส่ออกไปอยากจะผลักมันออกไปไกลๆอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาที่เจอด้วยโทสะใจที่ผลักใส่เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยนะยอมรับความจริงได้ยากเพราะมันมีความ ชังอยู่มันมีความยินร้ายเกิดขึ้นและลองดูเถอะคนเราเนี่ยจะทุกเนี่ยก็เพราะการที่เราหนึ่งเรายึดอยากและสองเราผลักใสสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราอยากมันแปลเปลี่ยนไปเราก็ทุกสิ่งที่เราไม่ชอบมันมาเจอมันเกิดขึ้นกับเราเราก็พยายามผลักใสแต่พอมันไม่ไปเนี่ยเราก็ทุก และทั้งหมดเนี่ยความยึดความอยากก็ดีความผลักไสมันก็ทําให้เราไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้และเมื่อเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็ยิ่งผลักไสสิ่งที่เราไม่ชอบออกไปเป็นมะเร็งเรายอมรับไม่ได้ก็ยิ่งพยายามผลักแต่ว่ายิ่งผลักเท่าไหร่เนี่ยมันก็แปลแลนะยิ่งอยากจะให้มันไปยิ่งอยากจะผลักไสมันออกไปก็ยิ่งคิดถึงมัน อย่างเวลาเราไม่ต้องมาเลงเหรอกโดนยุงกัดเนี่ยใจเราก็อยากจะผลักมันออกไปไกลๆถ้าตบได้ก็ตกนะแต่อยู่ในวัดเราตบมันไม่ได้ก็อยากจะให้มันออกไปไกลๆจะยิ่งอยากจะผลักมันออกไปเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งรู้สึกชัดเจนยิ่งเจ็บยิ่งคันชัดเจนมากขึ้นหรือว่างอย่างเวลามีเสียงรบกวนเราเนี่ยอาจจะมีเสียงคนพูดคุยข้างล่างเสียงโทรศัพท์นะหรือว่าเสียงรถเครื่องดังมาจากข้างล่างหรืออาจจะเสียงฝนก็ได้ เสียงเหล่านี้อาจจะเสียงไม่ดังนะแต่ว่ามันอาจจะรบกวนการฟังของเราในตอนนี้แต่ทันทีที่เราเริ่มเกิดความไม่พอใจแล้เราเริ่มจะผลักสายมันออกไปใจมันดิน้นใจอยากจะผลักมันออกไปจิตมันก็ยิ่งเข้าไปปักอยู่ตรงนั้นแหละปักอยู่กับเสียงตรงนั้นแหละแล้วพอใจเราจะปักอยู่ตรงเสียงนั้นเสียงก็ดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นชัดเจนจนกรทั้งฟังเสียงอัตมาพูดไม่รู้เรื่องเลยก็มี ทั้งนั้นที่เสียงที่พูดนี่ก็ใช้ไมโครโฟนเสียงมันก็ดังกว่าเสียงที่มารบ ก, กวนหรือโดนยุงกะเนี่ยนะโดนยุงกัดพอใจเราผลักสายมันออกไปแต่มันมันไม่ยอมไป่ะจิตมันก็ยิ่งเป็นทุกข์มันก็ดิ้นมันก็ยิ่งปักเข้าไปตรงนั้นแหละก็เลยฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรทั้งนั้นที่มันก็อาจจะไม่ได้กัดเจ็บคันเท่าไหร่แต่ ท, ทันทีที่เราวางใจได้ถูกคือเราอย่างเช่นเราปล่อยวางหรือเรายอมรับมัน เ, ออเสียงมันจะดังก็ดังไปเพราะช่างมันยุงมันจะกัดก็กัดไปพอเราทำใจยอมรับมันนะไอ้ความทุกข์เนี่ยมันก็คลายไปถามว่ายุงกัดนี่ยังเจ็บไหมก็เจ็บแต่ว่าเจ็บที่แขนเจ็บที่ขาเกิดทุกขเวทนาทางกายแต่ว่ามันไม่มีความความทุกขทางจิตใจถ้ามันจะทุกขก็ทุกแค่อย่างเดียวทุกต่อเดียวนะก็คือทุกกายแต่ไม่ทุกใจเพราะว่า ใจนี่ยอมรับได้ใจนี่ไม่ผลักใสลองสังเกตดูนะยิ่งเราอยากจะผลักใสอะไรออกไปเนี่ยมันก็ยิ่งอยู่ยิ่งยงมันเหมือนตุ๊กตาลม้มลุกอะนะพอเราผลักมันออกไปมันก็ยิ่งเด้งกลับเราผลักมันแรงไปเท่าไหร่มันก็เด้งกลับมหาเรามากมากเท่านั้นหรือเรานึกภาพอีกอย่างเช่นมีรถขวางทางรถขวางหน้าบ้านหรือไม้สุงไม้ขอนเนี่ยขวางทางเราไม่ชอบใช่ไหมมันขวางทาง ขวางทางเขาออกบ้านเราอยากจะผลักมันเราอยากจะเข็นมันแต่ยิ่งเราเข็นมันมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งใกล้มันชิดติดกับสิ่งนั้นมากขึ้นใจอยากจะผลักให้มันห่างออกไปแต่ทันทีที่เราผลักทันทีที่เราเข็นเนี่ยเราก็ยิ่งใกล้ชิดสนิทแนบกับสิ่งนั้นมากขึ้นเวลาเราเข็นรถดูสังเกตดูไหมตัวเรานี่ก็จะไปติดชิดกับรถเลย ทั้งทั้งที่เราอยากจะผลักมันออกไปแต่ยิ่งผลักมันยิ่งไกลยิ่งชิดยิ่งสนิทยิ่งแนบนี่นี่นี่มันคือธรรมชาติางั้นผู้รู้เนี่ยเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยก็รู้ว่าวิธีที่ดีกว่านั้นคือว่าทำใจยอมรับมันนะยอมรับมันเมื่อยอมรับความเจ็บความป่วยมันก็แค่ป่วยกายแต่ว่าไม่ป่วยใจไม่ทุกข์ใจแล้วอันนี้คนเราเนี่ยนอกจาก เป็นเพราะใจที่มันยึดแล้วก็ผลักสายแล้วเนี่ยอีกสาเหตุนึงที่ทำให้เรายอมรับความจริงไม่ได้ก็คือใจที่ไปห่วงหาอาลไยอดีตหรือไปกังวลกับอนาคตเช่นพอรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งอย่างคุณป้าคนที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยพอรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็อยู่ได้ไม่เกินสามเดือนทั้งๆที่ก็ยังเดินเหนินไปไหนมาไหนได้แต่ว่าใจมาไปกังวลถึงเรื่องข้างหน้าแล้ว ถึงอนาคตแล้วว่าอจะต้องตายแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ตายเลยนะแต่ใจไปคิดแล้วว่าจะต้องตายไปคิดถึงความเจ็บความป่วยต้องนอนโรงพยาบาล น, นะต้องทุกขทรมานต้องเสียค่าใช้จ่ายคิดถึงลูกถึงหลานก็าจะอยู่ยังไงถ้าเราไปทั้งหมดนี่มันอนาคตทั้งนั้นแต่พอไปคิดถึงอนาคตเข้ามันก็มีแต่เรื่องไร้ลา ย, ลายก็ทำให้ใจนี่แย่ลง พอใจแย่ลมมันก็ยิ่งยอมรับมะเร็งไม่ได้เพราะว่ามันเห็นแต่เรื่องลายๆที่จะเกิดเป็นผลสืบเนื่องตามมาจากมะเร็งมันยิ่งผลักไสเข้าไปอ่ะอันนี้เพราะไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอนาคตแล้วก็ตีตนไปก่อนไข้หรือไม่ก็ไปหวนคิดอะไรถึงอดีตว่าโอ้สมัยก่อนหน้านนี่เราสบายไปไหนมาไหนได้นี่เราต้องมาป่วยแล้วหรือนี่หรือคนที่เสียของเนี่ย ของมันเสียไปแล้วแต่ใจก็ยังนึกถึงของนั้นอยู่ทั้งที่มันกลายเป็นอดีตไปแล้วเสียของหรือเสียคนรักอกหักเขาไปแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วแต่ใจมันก็ยังคิดถึงสิ่งนั้นอยู่ก็คือยังยึดอยู่ยังยึดสิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนาน่าพึงพอใจพอไปยึดเข้าใจไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอดีตเข้า สมัยก่อนเราสบายสมัยก่อนเราเขาเคยอยู่กับเราแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วมันก็ยิ่งยอมรับปัจจุบันไม่ได้เพราะมันเห็นชัดๆหรือว่าสมัยก่อนอดีตนั้นมันดีกว่าตอนนี้เมื่อไรก็ตามที่เราเอามีการเทียบเคียงกันเทียบเคียงอดีตกับปัจจุบันอดีตมันดีกว่านี้อดีตมันสบายกว่านี้อดีตมันหวานชื่นกว่านี้เราก็ยอมรับปัจจุบันไม่ได้ก็เหมือนกับเวลาเราได้งานมาที่จริงงานนั้นก็ไม่หนักหนาอลไรแต่พอเราไป เปรียบเทียบเคียงกับคนอื่นนะโอเ้เขาได้งานเบากว่าเราก็าได้งานเบากว่าเราก็ทําทงานน้อยกว่าเราโอแค่นี้แหละมันทุกเลยนะทั้งทั้งที่ก่อนนั้นนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอไปเปรียบเทียบเคียงเข้ากับคนอื่นเข้าเราก็จะรู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบเราทํางานมากกว่าคนอื่นไอ้ใจที่รู้สึกว่าฉันทํางานมากกว่าคนอื่นหรือว่าความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเลยเนี่ยมันก็ทําให้เรา ยอมรับความจริงไม่ได้ใจล้วมันก็ดิ้นลนผักสายไม่เอาล้งงานนี้ทำไมต้องมาทำงานนี้ไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมเลยทำไมต้องเป็นชั้นเน่ยมันปรุงขึ้นมาเลยเพราะอะไรเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าว่าแต่การได้งานมากกว่าคนอื่นเลยหรือรู้สึกว่าได้งานมากกว่าคนอื่นเวลาได้ของดีได้โชคได้ลาบเนี่ยให้พอได้โชคได้ลาบเราก็ดีใจนะแต่ทันทีที่รู้ว่าคนหนึ่งเขาได้มากกว่าเราเนี่ยมันทุกข์เลย สมมุติจามีคนเอาโทรศัพท์มือถือมาแจากเราคนละเครื่องคนละเครื่องหรือเครื่องเล่น MP ็สาโอเราก็ดีใจนะแต่พอรู้ว่าอีกคนหนึ่งหรือว่าอีกหลายคนเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ได้ MP ็สามอย่างเดียวนะพก็จะได้กล้องถ่ายรูปด้วยไอความดีใจมันเปลี่ยนเป็นเสียใจเลยนะเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราได้น้อยกว่าคนอื่นทําไมถึงคิดแบบนั้นเพราะไปเปียบเทียบ เ, เ, เ, เ, เ, เคียงมันไม่ยอมแล้วว่าทําไมฉันได้แค่นี้เองทําไมฉันได้แค่ เอ็สเท่านั้นเองและการยอมรับเนี่ยความจริงไม่ได้เนี่ยเราไม่ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเวลาเราเจอเรื่องไรล า, ลานะเวลาเราได้ของดีๆแต่รู้สึกว่าได้น้อยกว่าคนอื่นแค่นี้ก็ทุกข์แล้วนี่เพราะการเปรียบเทียบการเทียบเคียงแล้วเราก็ไปยึดติด ก, กับความยุติธรรมด้วยว่าความยุติธรรมคือมันต้องได้เท่ากันมันต้องได้เท่ากันพอเราได้น้อยกว่าเขาเรารู้สึกเลยมันไม่เป็นธรรมพอไม่เป็นธรรมปุ๊บเรารู้สึกว่า ฉันถูกหลังแกหรือฉันไม่ควรได้รับสิ่งนี้นะเนื้อใจที่มันยึดสิ่งที่สูญเสียไปแล้วหรือใจที่มันปฏิเสธไอสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับเราก็ดีหรือว่าใจที่มันไปอยู่กับอนาคตไปกังวลกับอนาคตหรือว่าไปอะารลยกับอดีต ก, ก็ดีเนี่ยหรือการเทียบเคียงกับคนอื่นก็ดีเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ทาให้เราเนี่ยยอมรับความจริงไม่ได้ แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันเห็นเห็นใจที่มันดิ้นเห็นใจที่มันบ่นใจที่มันโวยวายไม่เอาไม่เอ า, เอาน ะ, ะเรามีสติรู้ทันเราลองเปิดใจให้กว้างยอมรับมันเราจะรู้เลยว่าไอ้ที่มันทุกข์ที่มันแบกเอาไว้นี่มันเบาไปเลยคนเราเนี่ยถ้าเราลองเปิดใจกว้างยอมรับสภาพความเป็นจริงเนี่ยเราจะรู้เราจะพบเลยว่าชีวิตมันเบาลงยอมรับความทุกข์มันน้อยลง และพอเจออะไรขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นสบายไปนะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็ได้ฟังเรื่องเล่าของอ า, อาจารย์คนหนึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อชื่ อ, อประมวลเพลงจันทร์แกมีชื่อมากตอนที่เดินเท้าปราจากเชียงใหม่ไปบ้านเกิดคือสมุยนะคือกเกษียณแล้วกเกษยงก่อนกำหนดก็คิดว่าอยากจะไปกราบคารวะแผ่นดินเกิด ก็ใช้วิธีการเดินเราเป็นการเดินที่เรียกว่าลำบากกว่าทุดงของพระเพราะว่าระยะทางนอกจากไกลกว่าแล้วเนี่ยก็ยังเดินคนเดียวแล้วก็ไม่พกเงินติดตัวไปด้วยพระเรานะีทุดงไปบางทีมีเงินติดตัวหรือถึงแม้ไม่มีไม่มีเงินติดตัวแต่เราก็รู้แน่ว่าไม่มีวันอดเพราะว่าถ้าบิดาบาตเมื่อไหร่ก็ได้ฉันหรือเพอเพอก็มีคนนมวนขึ้นรถพระเราทุดองนี่สบายกว่าเยอะ แต่ว่าอาจารย์ประมวลเนี่ยเดินคนเดียวไม่มีเงินแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่ไม่แวะเยี่ยมเพื่อนที่ไหนก็เดินสองสเดือนจนถึงก็เขียนหนังสือขึ้นมาเช่อหนังสือเดินสุวยสรับผาก็เลยเป็นที่รู้จักสองสามปีต่อมาก็คือเมื่อเมื่ อ, เ ม, อเมื่อต้นปีนี้อาจารย์ประมวลก็กลับไปอินเดียไปทําไมอาจารย์ประมวลบอกว่าไปเพื่อตอบแทนบุญคุณอินเดียเพราะว่าไปจบปริญญาเอกที่นั่น จบตอนที่เป็นพระอาจารย์ประมวลบอกว่าไปอินเดียตอนนั้นไม่มีเงินเลยนะแต่ก็เรียนจนจบได้เพราะได้ลบความเอื้อเฟือจากคนอินเดียแล้วก็หลายคนจบปริญญาเอกมาก็ได้วิชาวความรู้ติดตัวก็ทำให้ทำมาหากินที่หมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จนกระทั่งกเกษียณก็อยากจะไปตอบแทนบุญคุณอินเดียแล้วก็เถือกัดทบทวนชีวิตด้วยอาจารย์ประมวล สร้างหรือว่าทำใจไว้อย่างหนึ่งคือตั้งจิตหรืออธิษฐานก็ได้ว่าพร้อมน้อมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวในประเทศอินเดียอะไรที่เป็นของอินเดียแกใช้คานี้อะไรที่เป็นของอินเดี ย, ก, ออดยก็จะจิตใจก็จะอ่อนโยนนุ่มนวลพร้อมรับสิ่งนั้นจะไม่บน่นนะไม่ใช่แค่น้อมรับอย่างเดียวแต่จะมองให้เห็นมองว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เทพศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียประทานมาให้อาจารย์ผมบอกว่าจะน้อมรับและก็ร่ําเรียนจะถือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นดีทั้งนั้นเป็นสิ่งที่เทพอินเดียเนี่ยประทานมาให้การตั้งจิตแบบนี้นี่นับปราการหากเพราะว่าคนที่ไปอินเดียก็จะรู้ว่าหรือเคยมีประสบการณ์ว่าถูกแขกหลอกสารพัดเลยนะถูกหลอกถูกขโมยถูกโกงนะ คนไทยนี่จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนแขกคนอินเดียมีสำนวนว่าถ้าเจองูกับแขกก็ตีตีแขกก่อนแต่อาจารย์ประมวลเนี่ยนะทำใจไว้เลยว่าไปคราวนี้จะไปตอบแทนบุญคุณอินเดียใครขออะไรก็จะให้ซื้อของบอกราคาเท่าไหร่ก็จะไม่ต่อเลยแลแ้วแกก็ทาได้อย่างนั้นจริงๆนะและบอกว่าไปเนี่ยเดือนกว่านี่มีความสุขมาก ไม่ไม่รู้สึกว่าจะเจอสิ่งเลวร้ายอะไรหรือไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็แปลกที่เจอสิ่งดีๆมีคราวหนึ่งก็ไปไปนั่งรถรถสาล้อรยะทางก็ไม่ถึงกิโลอ่ะประมาณน่าจะประมาณสัก1ิบรูปีก็น่าจะถึงก็น่าจะได้หรือสิบห้ารูปีบอกว่าแขก บ, บอก50ิรูปี อาจารย์ปมเหมือนก็นึกในใจนะโอ้เขาคิดดอกเบีย้ยแพงนะหมายถึงว่าจะไปตอบแทนบุญคุณอินเดียนี่โดนคิดดอกเบีย้ยก็ไม่เป็นไรก็ห้าสิบก็50กิเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าใครขอก็จะให้จะไม่มีการต่อก็นั่งรถปุ๊บเดียวก็ถึงแล้วพอถึงก็ควักกระเป๋าควักแบงค์ยี่สิบออกมาแล้วจะควักแบงค์ยี่สบที่สองแขกก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ห้าสิบพูดผิดไปสิบห้า not five zero one five แข่พวกนี้ not five zero just one five ไม่ใช่ห้าศูนแต่หนึ่งห้าก็คือสิบห้าอาจารย์ประมวลรู้สึกเรียกว่ารู้สึกอึ้งขึ้นมาเลยอึ้งขึ้นมาว่าอย่างไงว่าโอ้แขกนี่เขาเขาซื้อนะไอเราเองเนี่ยที่ไปไปมอง มีคติกับเขาว่าเขาจะเรียกเราเกินนะที่จริงเขาตั้งใจเรียกเราสิบห้าเท่านั้นแหละแต่เขาภาษาเขาไม่ดีอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแขกเขามาเปลี่ยนใจภายหลังหรือเปล่านะเพราะว่าทีแรกอาจจะตั้งใจเรียกห้าสิบก็ได้เพราะคิดว่าคนไทยนี่หมูหรือว่าอาจจะคิดว่าเรียกเผื่อต่อนะแต่พอผู้โดยสารใจปั้มจะให้จริงๆเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้เราเรียกเขาแพงไปซะละ ก็จะเปลี่ยนใจภายหลังก็ได้เพราะเจอเจอคนที่มีน้ําใจกับเขาหรือจริงๆก็อาจจะคิดอาจจะพูดผิดตั้งแต่แรกแต่คนที่พูดผิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่ซื่อใช่ไหมเราบอกเขาสิแต่เขาจะให้50บเนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่าสวมรอยเลยห้าสิบก็50นะถือว่าลาบเข้าปากแล้วแต่ก็แขกคนนี้แกก็บอก15บหยืนกลางเจ้าสิบห5ห้าแต่อาจารย์ปุ๋มเหมือนก็ให้ไปเลย50เพราะถือว่า นี่เขามาสอนมาสอนธรรมะ ก, กับเราให้เราเห็นว่าโอ้นี่เรานี่ไปมองเขาในแง่รายขอบคุณเขาเดินนะว่าที่ทําไม่ได้มาเห็นตัวเองว่าเนี่ยใจเรานี่ยังมีอกุศลอยู่แล้วอาจารย์ประมวลก็จะเจอแบบนี้อยู่เรื่อยคนที่ไปเจอแขกกงแล้วก็โมโหกาแฟคาเฟ่เนี่ยแต่อาจารย์ประมวลไปแบบมีความสุขมากแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะแล้วก็กลับเจอคนดีๆ ด, ด้วยแล้วทําใจทําใจพร้อมนอนรับทุกอย่างนะ ต่อหลังเดินไปนานๆทักสองสามวทิ้นเนี่ยนะเริ่มโสมแล้วมีหนวดมีผมเเผายาวเสื้อผ้าก็มอมแมมเพราะว่าตั้งใจว่าจะไปอย่างง่ายที่สุดจะไปเส้นทางไหนที่คนอินเดียเขาใช้ก็จะใช้เส้นทางนั้นจะไม่มีการนั่งรถติดแอร์ชั้นหนึ่งจะไม่มีการนอนโรงแรมไปอย่างที่เคยไปสมัยที่เป็นนักศึกษาจนๆแล้วก็มีข่าวหนึ่งนั่งรถไฟ โร์ไฟสบกว่าไอ้คนที่มานั่งข้างๆนี่มันเห็นแก่โซมเนี่ยก็ไล่ไปแขกนะั้นไล่แก่ไปเป็นนั่งที่อื่นเป็นนั่งบนพื้นไปแก่นั่งนะแกยอมนะทนั้งที่ตัวมีตัวนะยอมนั่งเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าอะไรที่เป็นของอินเดียก็จะน้อมรับทุกอย่างด้วยจิตใจที่นุ่มนวลเขาไล่เราแล้วเราไปก็ไปนอนบนพื้นไปนอนบนพื้นก็ไปก็ไปนั่งบนพื้นแล้วก็ไปนั่งกับคนอินเดียที่เป็นแม่แล้วกับลูกจนๆ น, นะ ปรากว่านั่งอยู่ดีๆเด็กน้อยเนี่ยเกิดท้องเสียขึ้นมาท้องเสียขึ้นมาแล้วก็อึอมาตรงนั้นแหละก็เลยต้องเอาน้ํามาราดเอาน้ำมาลาดแล้วเช็ด ก, ก้นให้ด้วยจาร์ประมวลทําให้เด็กปรากฏน้ําที่ลาดมันก็นองบนพื้นใช่ไหมเวลารถไฟมันขึ้นทางลาดเนี่ยน้ําก็ไหลนองไปถูกคนน้นมากถูกคนนั้นบ้างคนก็หนีกันใหญ่แต่แกไม่หนีนะเอา้าเอาก็เอาอะไรที่เป็นของอินเดียเอาหมด ก็กลายเป็นว่ามีความสุขนะไอ้น้าที่เช็ดก้นเด็กนี่ก็มันก็มาถูกแกแกก็เอา้าก็กลายเป็นว่ามีความสุขแล้วก็ได้ใกล้ชิดสนิท ก, กับคนอินเดียที่เป็นแม่แล้วตอหลังเนี่ยตัวก็โส ม, มากคือเรื่อยๆ เ, เนี่ยเวลาไปเจอขอทานนี่ขอทานปกติเจอคนไทยเนี่ยต้องไถยเงินต้องขอเงินบอกว่าขอทานนี่เห็นแกเป็นเพื่อนเลยแล้วก็ซื้อน้าชาให้กินด้วย แล้วก็ตอนขากลับขึ้นเครื่องบินเนี่ยซื้อหนังสือมาเยอะนะก็จะต้องเสียค่าปรับเจ้าหน้าที่สนามบินก็คิดค่าปรับ 5,800 หลดปูปีก็ประมาณ 5,000 บาทไทยเนี่ยไม่ต่อเลยนะก็บอกจะจ่ายที่ไหนพร้อมจะจ่ายนะระหว่างนั้นก็บริกรรมสวดมนต์ไปด้วยปัจจาปริมิตาก็สวดไปรอเป็นชั่วโมงนะก็ไม่มีใครมาเรียกจนกระทั่งก็เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ เจ้าที่คนหมายมาถามว่ามารออะไรก็บอกว่ารอเสียค่าปรับแต่บอกไม่ต้องเสียแล้วไปขึ้นไปขึ้นเครื่องบินได้เลยไม่ต้องเสียเงินคือบทตั้งใจจะจ่ายนะก็ไม่ต้องจ่ายแต่ก็มีเพื่อนบางคนเนี่ยบอกว่าพยายามต่อรองกับต้องเสียพยายามต่อรองเป็นนักศึกษาไม่ต้องเสียได้ไหมหแขกไม่ยอมจะเอาให้ได้แต่อาจารย์ประมวลนี่พอตั้งใจว่าอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างพร้อมหมดเขาจะเรียกเท่าไหร่ให้นะ บอกว่าเขาไม่เอาก็จะมีเรื่องแบบนี้แม่มากอันนี้เห็นเลยว่าคือเวลาไปอินเดียเนี่ยนะบางเทีอนนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นบทเรียนได้ว่าไปอินเดียถ้าเราลองไปแบบนี้ดูบ้างเราจะมีความสุขแต่บางคนไม่ไปไม่มีความสุขนะโดนแขกหลอก30มรูปีก็กาแฟกาเฟี่โดนแขกหลอก30มรูปีตั้งตอนเช้าก็ยังขุนเคืองจนทั้งตอนบ่ายไปเที่ยวที่ไหนไม่สนุกเลย เพราใจไม่ได้ที่ถูกแขกหลอกโมโหเนี่ยคนไทยเนี่ยเราถ้าเราไปแบบนี้จะไม่มีความสุขหรือไปที่ไหนก็ตามแต่อาจารย์ประมวลนี่ไปแบบพร้อมทุกอย่างใจที่เราเปิดรับทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เปิดรับอย่างเดียวแต่ว่ามองว่าน้อมว่าสิ่งเรานี่เป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นบทเรียนที่จะให้เราได้เรียนรู้เนี่ยมันจะช่วยได้มากจะทําให้เรามีความสุขได้ แล้วสิ่งที่น่าสนใจนะคือว่าเวลาเราเปิดใจความรับความทุกข์นะบางทีมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอาจารย์ประมวลเล่าตอนหนึ่งกำลังเดินตั้งใจเดินจากสารนาศไปพารณสีสารนาศนี้ก็คือที่แสดงปฐมเทศนาริยธรรงมา14กิโลก็ตั้งใจจะเดินก็มีแขกกี่สามล้อมาตามตื้อบอกให้แกขึ้นไปแกก็บอกไม่ขึ้น14กิโลมันสบายมากเดินไปได้ แขกบอกขึ้นธนาขึ้นธนาแกเดินไปกิโลหนึ่งในสุก็บอกว่าเออเราจะเอาแต่ใจของเราไม่ได้เราต้องคิดถึงคนอื่นด้วยเขาอยากจะให้เราขึ้นรถเราก็ขึ้นซะเลยก็ขึ้นไปคุยกับแขกคนขับรถสามล้อบอกเนี่ยเขาไม่มีผู้โดยสารขึ้นรถมาเนี่ยสามวันแล้วนะถ้าไม่มีผู้โดยสารวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเพราะไม่มีเงินซื้อแป้งทําโลตีให้ลูกกินโอ้โหเขา ขนาดนี้แหละอาจารย์ฟังอาจารย์ประมวลฟังก็สะอึกนะว่าโอ้นี่เขาลําบากจริงๆนะสามวันไม่มีไม่มีเงินสักแดงไม่มีเงินจนกทั่งไม่รู้จะเอาเอาอะไรไปซื้อให้ลูกกินเขาเหนื่อยเขาทุกข์นะแล้วระหว่างที่ขี่จักรยานเนี่ยแดดก็ร้อนเวลาขี่จักรยานนี่ตัวนี่โยนเลยโยนขึ้นโยนล ง, นลงนเหนื่อยเงื้อออกแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ประทับใจอาจารย์ประมวลมาก ก็คือในหลักข้ที่กําลังขี่รถจักรยานด้วยความเหนื่อยนั่นเองนะลมเย็นพัดมาพอลมเย็นพระมานี่แกมีความสุขมากนะยิ้มแล้วก็กางมือขึ้นมากางมือทั้งสองข้างกางแขนทั้งสองข้างแล้วก็พูดเป็นภาษาอินเดียว่าขอบคุณพระเจ้าคือคนธรรมดาเนี่ยถ้าถ้าเกิดมีความทุกข์เนี่ยถ้าจมอยู่กับความทุกข์คิดถึงลูกว่าอุย้ย คิดถึงหนี้ศินคิดว่าไม่รู้จะหาเงินมายังไงแล้วยังเหนื่อยอีกเนี่ยแล้วยิ่งใจนี่มันไม่ยอมรับความทุกข์นะเวลาลมเย็นพันๆเนี่ยไม่รู้สึกหรอกว่าเป็นความสุขแต่แขกคนนี้นี่แกเรียกว่าเปิดใจยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ยอมจมอยู่กับความทุกข์พอมีความสุขเข้ามาชนเข้ามากระทบเนี่ยจิตใจก็เปิดรับความสุขเต็มที่เลย คนจำนวนมากเนี่ยเวลาจมอยู่ออกับความทุกข์เราก็พยายามผลักสายความทุกข์พยายามไม่ยอมรับความทุกข์เนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่มีความสุขอยู่รอบตัวก็มองไม่เห็นนะยิ่งผลักสายความความทุกข์จิตมันก็ยิ่งปิดกัน้นไม่พร้อมรับแม้กระทั่งความสุขแต่พอเปิดใจยอมรับความทุกข์เนี่ยความสุขก็เข้ามาง่ายนะอันนี้ลองสังเกตดูคนเราถ้าเปิดใจยอมรับความทุกข์เนี่ยความสุขก็สามารถจะเข้ามาได้ง่ายๆเหมือนกันแต่ถ้าเราปิดใจ ไม่พยายามให้ความทุกข์เข้ามาความสุขก็เข้ามาไม่ได้คนที่จมอยู่ความทุกข์นะอะไรเกิดขึ้นกับตัวแม้จะเป็นสิ่งดีๆก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้เพราะใจมันปิดแล้วมันปิดเพราะอะไรมันพยายามผลักไสความทุกข์ถ้าเราถ้าเราลองเปิดใจขงเราให้กว้างไม่เพียงแต่ความทุกข์จะเข้ามาแล้วก็มาเป็นเพื่อนเท่านั้นแต่ความสุขก็สามารถจะเข้ามาในใจเราได้ง่ายขึ้นมันแปลกเนาะ เปิดใจรับความทุกข์แต่ความสุขกลับเข้ามาได้มันก็แข่คนเนี้ยเพียงแค่ลมเย็นพัดมาเนี่ยโอ้ ม, มีความสุขมากเลยทั้งทเมื่อกี้นี้ยังบ่นแล้วโ อ, โอ้โหไม่รู้จะเอาเอาอะไรไปซื้อข้าวให้ลูกกินเหนื่อยก็เหนื่อยแต่แกอยู่กับปัจจุบันมากเลยอาการเปิดใจรับความทุกข์เนี่ยมันมันจะทําให้เราเป็นคนสุขง่ายนะแต่ถ้าเราปิดกัน้นพยายามผลักสายความทุกข์เนี่ยความทุกข์มันยิ่งเข้ามาหลอกหลอนแล้วกลายเป็นคนที่สุขยาก ถ้าอยากสุขง่ายนี่ต้องเปิดใจพร้อมรับความทุกข์และความทุกข์ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมิตรจะจะไม่มาทรมานรบกวนเรามากเมื่อสัก4ีเดือนก่อนเนี่ ย, น, ยนะก็มีโยมคนหนึ่งมามาป่วยรักษาตัวที่นี่ตั้งแต่มกราทั้งตต้นปีนชื่อยมอยู่จกเป็นมะเร็งปอดแล้วก็มารักษาบอกว่าขอใชเวันสุดท้ายที่ที่วัดเนี่ย กุฏิที่พักก็ไม่ได้ไกลจากนี่เพื่อจะได้ฟังเสียงพระสดมนแสดงธรรมก็เคยไปคุยโยมอยู่หลายครั้งก็ถามไปว่ามีความทุกข์ไหมแกก็บอกว่ามีความกังวลว่าถ้าถึงตอนเวะลาสุดท้ายเนี่ยจะทำใจได้ไหมหรือว่าจะมีสติสู้กับทุกขเวทนาได้ไหมมีความกังวลอยู่แล้วธรมา ก, ก็ถามว่าวตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ไหวไหมตอนนี้ไหวตอนนี้ยังรับมือได้อยู่ ธรรมาก็เลยนว่าก็ทำใจอยู่กับตอนที่อยู่กับปัจจุบันอย่าไปสนใจอนาคตอย่าไปกังวลนะตีตนไปก่อนไข้ล่วงหน้าถ้าตอนนี้ทำใจยอมรับนะความเจ็บความป่วยได้ถึงตอนนั้นมันก็ยอมรับได้เองแล้วแกก็ไปสงบนะไปตอนเช้ารู้สึกตัวตลอดก็ให้น้องสาวซึ่งเป็นคนดูแลอยู่ด้วยเนี่ยให้ไปให้ไปตักข้าวที่ศาลา น, นอก น้องสาวนี่ก็ก็ไปตักอาหารมาพอกลับมาแกไม่รู้สึกตัวแล้วที่จริงไปแล้วคือไปแบบสงบไปแบบง่ายมากถ้าน้องที่ทีแรกเนี่ยกังวลกังวลว่าจะไปจะไปอย่างสงบได้ไหมแต่ถ้าหากว่าแกทําใจยอมรับปัจจุบันได้อนาคตไม่ต้องห่วงแล้วแกก็ไปได้สงบจริงๆแต่คนเราเนี่มักจะห่วงกังวลล่วงหน้าเพราะห่วงกังวลล่วงหน้าเนี่ยใจมันจะไม่ยอมรับจะไม่ยอมรับ สภาพที่เป็นอยู่นะถ้าเป็นมะเร็งก็จะขัดขืนจะต่อสู้นะั้บางทีเราเนี่ยเราสามารถจะยอมรับปัจจุบันได้ง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ไปตีตนไปก่อนไขรหรือไปกังวลล่วงหน้าอาที่พูดนี้เนี่ยก็เน้นเรื่องการยอมรับเหตุการณ์ร้ายๆที่เป็นลบที่เกิดขึ้นกับเราแต่ว่า การยอมรับอีกอย่างที่สําคัญนะก็คือยอมรับสภาวะหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเรานักปฏิบัติเนี่ยบางทีเราจะไม่เคยยอมรับอารมณ์บางอย่างนะเช่นความเครียดความหงุดหงิดความเบือ่อหรือว่าความโกรธเพราะว่าเรามองว่าอันนี้มันไม่ดีแล้วเราพอปฏิบัติไปไปลานานๆเราก็ติดดี พอเราติดดีเราก็จะไม่ไม่ชอบอารมณ์พวกนี้เราจะชอบอารมณ์ที่เป็นสงบผอง่อนสายเบิกบานแช่มชื่นรู้สึกตัวนะถ้าอารมณ์ตรงข้ามเร า, เราจะปฏิเสธเราจะไม่ยอมรับหหเหมือนหงุดหงิดก็ไม่ยอมรับโกรธก็ไม่ยอมรับแล้วก็เลยทุกเลยนะบางทีเนี่ยไปไปโกรธคนอื่นด้วยนะมีเพื่อนอาจจะทักว่าช่วงนี้รู้สึก หงุดหงิดหรือเปล่าพอมีคนทัาแบบนี้โกรธเลยนะพ่ออะไรพ่อนักปฏิบัติเนี่ยเราจะเราจะไม่ชอบถ้าใครมาบอกว่าเราหงุดหงิดเราจะไม่ชอบถ้าใครมาบอกว่าเราโกรธด่าพอ่อร้อยแม่ไม่ว่านะแต่อย่าบอกว่าไม่มีสตินะโอ้โกรธมากเลยจะด่ายังไงไม่ว่าแ ต, แต่อย่าทักนะว่ากําลังหงุดหงิดหรือเปล่านักปฏิบัติเราจะเรียกว่าอ่อนไหวก็ได้อ่อนแอก็ได้เธอเจอทักแค่เนี่ยโกรธล้ว คนธรรมดาทักแค่นี้เฉยไม่รู้สึกอะไรแต่นักปฏิบัตินี่จะเบา บ, บางมากพราะอะไรพระติดดีไงพอทักว่าหงุดหงิดไหมโมโหโมโหใส่โมโหใส่คนทักอันนี้เราไม่ยอมรับตัวเองตามที่เป็นจริงแล้วก็ทําให้เราเป็นทุกข์กับตัวเองเป็นทุกข์กับคนอื่นระบายความทุกข์ใส่คนอื่นเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับอารมณ์เหล่านี้ด้วยว่ามันเกิดขึ้นยะเล่ว่ามันคือสิ่งที่เป็นจริง แล้ถ้าเรายอมรับมันได้เนี่ยอารมณ์พุทธิมันก็จะค่อยๆทาหน้าที่ของเขาไปก็คือมาแล้วก็ไปเป็นเหมือนเพื่อนบ้านที่มาแล้วก็ไปแต่ถ้าเราไปพยายามผลักสายมันมันยิ่งโผลมันยิ่งผุดมันยิ่งยื น, ย, นยงอะไรที่เราต่อต้านผลักสายมันกลับอยู่แต่เพียงแค่สักว่ารู้มันก็จางหายไปลองสังเกตดูนะอะไรที่เราผลักสายเนี่ย มันก็จะอยู่ยืดยงนะแต่ถ้าเราเพียงแต่รู้มันมันก็จะค่อยๆดับไปหรือว่าหายวับไปเลยก็มีนี่เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราตามที่เป็นจริงด้วยอย่าไปติดตดอย่าไปปฏิเสธเพราะนั่นแสดงว่าเรากําลังไม่ยอมรับความจริงเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันลแล้วเราก็เรากำลังยึดกับสิ่งที่ควรเป็น เราไม่ได้อยู่ปัจจุบันนะแต่เราไปอยู่กับสิ่งที่ควรเป็นสิ่งที่ควรเป็นนี่มันมันไม่ใช่ปัจจุบันนะมันคืออนาคตนักปฏิบัติหรือว่าคนที่ฝ่ายธรรมะเนี่ยจะอยู่กับสิ่งที่ควรเป็นจะยึดกับสิ่งที่ควรเป็นมากนะเพราะฉะนั้นพอโกรธเข้าไม่ถูกนะไม่ยอมใครมาทักว่าโกรธจะไม่ชอบและถ้ามแม้ไม่มีใครมาทักแต่ว่าพอรู้ว่าโกรธก็จะพยายามไปกดข่มมันเราลองเปิดใจ ย, ยอมรับทุกอย่างได้ไหม การปฏิบัติที่แท้จริงคือการเปิดใจยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็คือธรรมชาติธรรมดาการปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองฝึกดูนะนักปฏิบัติธรรมอยากจะแน่เราลองฝึกดูสมมติว่าเราจะตั้งจิตว่าวันนี้ทั้งวันหรือพรุ่งนี้ทั้งวันเนี่ยเราจะยอมรับทุกอย่างโดยไม่บน่น เราจะยอมรับทุกอย่างไม่ว่าที่เกิดขึ้นภายนอกหรือภายในแดดร้อนก็ยอมรับฝนตกก็ยอมรับอาหารไม่อร่อยก็ยอมรับได้กุติที่ไม่ดีก็ยอมรับเสียงดังก็เปิดใจยอมรับยุงกัดยุงชุมก็ยอมรับลองฝึกแบบนี้ดูบ้างอย่าไปพิถีพิถันว่ากุติต้องดีต้องมีทางจงกรมที่ดี นะต้องมีเสียงสงบอันนั้นมันอยู่กับความไม่จริงอยู่กับอุดมคติมากไปนอกปฏิบัติเราต้องพร้อมที่จะยอมรับทุกอย่างเราลองทำอย่างนั้นสักวันดูทําเหมือนกับที่อาจารย์ประมวลบอกเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับเราถือว่าดีทั้งนั้นนะเปิดใจน้อมยอมรับอย่างอ่อนโยนและนุ่มนวลและไม่ผักใสเลยลองดู ได้กุติอะไรมาก็ยอมรับยุงกัดก็ยอมรับเพื่อนฉันดังหรือว่าชอบคุยอ่ะเราก็ยอมรับยอมรับในฐานะที่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเราลองดูซิว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างแต่ใหม่ๆใจมันจะไม่ยอมนะใจมันจะบน่นใจมันจะโวยวายบางทีอาจารย์ แสดงทําไม่ถูกใจอ้าวใจมันไม่ยอมรับแต่ถ้าเราเปลี่ยนหมายว่าเอออะไรเกิดขึ้นกับเราก็ยอมรับทั้งนั้นอันนี้จะเป็นการปฏิบัติที่จะช่วยฝึกใจเรามากแล้วจะเห็นเลยใจที่มันบน่นใจที่มันโวยวายใจที่มันไม่ชอบแต่ก็ยอมรับเหมือนกันนะไม่ใช่ไปไปกดข่มมันเอาไว้ลองทาดูซิว่าเราทาได้ไหมหนึ่งวันเต็มเต็ม อะไรที่เกิดขึ้นกับเราอะไรที่เป็นปัจจุบันถือว่าดีทั้งนั้นไม่มีอะไรที่มันเสียไม่มีอะไรที่มันบกพร่องไม่มีอะไรที่มันแย่ๆเลยทุกอย่างดีหมดถ้านักปฏิบัติทําได้นี่ธรรมาเชื่อว่ามันจะช่วยทําให้ใจเราเนี่ยนุ่มนวลมากขึ้นแ ล, แล้วสติเราก็จะดีขึ้นเราจะเห็นใจที่มันบนใจที่มันโวยวายตีโพยตีพายได้ชัดเจนขึ้นแต่ก่อนจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันจะคลิดเข้าไปแก้ไขซะก่อน ได้กุติไม่ดีหรืออ้าวเดี๋ยวต้องไปขอไปคุยกับผู้รับผิดชอบในะขอเปลี่ยนกุติได้ไหมอาหารไม่อร่อยหรือก็ไม่ตักไปตักอาหารอันใหม่ใจที่มันไปจดจ่ออยู่กับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัจจัยภายนอกเนี่ยทำให้เราไม่ทันเห็นไอความยึดความอยากหรือความผักใสหรือความบน่นโวยวายแต่พอเราตั้งใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นมันจะเริ่มเห็นอาการที่บน่นอาการที่โวยวายอาการที่ไม่ชอบ และนี่แหละจะทำให้เราเห็นกิเลสของเราชัดเจนขึ้นกิเลสมันจะโผลมาตอนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มันจะโผล่มามันก็จะโวยวายและถ้าเราเชื่อมมันเราก็จะหันไปแก้ไขไปจัดการกับสิ่งภายนอกพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าการไปจัดการสิ่งภายนอกไม่ดีนะแต่อันนี้เหมือนเป็นอุบายในการฝึกใจเราเพื่อให้เราได้เห็นกิเลสชัดๆเพื่อเราจะได้รู้เท่าทาันตัวเองไ ด, ได้ได้ชัดเจนขึ้นและเพื่อจะฝึกใจใเราอ่อนโยมนุ่มนวลมากขึ้น หรือจะทำตั้งแต่คืนนี้ไปเลยก็ได้